เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเมื่อใสในพระพุทธศาสนาทุกๆทก่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราช2557เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาตักดวงผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่พระพุทธเจ้าได้สมมอบไว้ให้กับพวกเราที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถเปรียบเทียบคุณค่าของประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าได้สมมอบไว้ให้กับพวกเราทั้งหลาย พาอไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสามารถมอบประโยชน์อันยิ่งใหญ่นี้ให้กับเราได้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวแล้วหลังจากนั้นก็มีพระสาวกที่ได้รับการสืบทอดประโยชน์อันนี้มาเผยแผ่ ให้แก่พวกเราทั้งหลายอีกต่อห น, นึ่งแต่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้มานำเอาสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายก็จะไม่มีใครที่จะมีโอกาสที่จะได้รับ ผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่นี้ได้เลยแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุ้แล้วก็นำเอาความรู้ที่พระองค์ได้สรค้นพบมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายสัตว์โลกที่มีจิตศรัทธ า, ม, า ม, มีความเชื่อมีความเนื่อบใสอย่างพวกท่านทั้งหลายก็จะได้รับ ประโยชน์อันยิ่งใหญ่นี้ประโยชน์ที่พระเจ้าทรงมอบให้กับพวกเราก็คือการได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการได้หลุดพ้นจากความทุกข์ความวุ่นวายใจทั้งหลายถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมคำสอนไม่มีพระสงฆ์สาวกมา เผยแผ่สังสอนพวกเราก็จะติดอยู่กับกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแต่พอมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่งเป็นสารณะเป็นผู้สอนผู้นำทางแล้วพวกเราทุกคนก็มีโอกาส ที่จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้อันนี้แหละคือคุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่มีความสําคัญและยิ่งใหญ่แก่ชีวิตจิตใ จ, จของพวกเราเป็นอย่างมากชีวิตจิตใ จ, จของเราจะสุขจะเจริญจะทุกข์หรือจะเสื่อม ก็ขึ้นอยู่กับคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เองถ้าเรามีคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นแสงสว่างนำทางเราก็จะเดินไปสู่ความสุขความเจริญถ้าเราไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้านำทางเราก็จะเดินไปสู่ความมืดสู่ความเสื่อมสู่ความทุกข์ อย่างนั้นการที่เรามาวัดนี้เป้าหมายหลักของเราก็คือมาศึกษามาฟังเทศฟังคบสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้ทำให้เรามีหูตาสว่างทำให้เราเห็นสิ่งที่เราไม่เห็นกันสิ่งที่เราไม่เห็นกัน ก็คือส่วนสำคัญของชีวิตของพวกเราส่วนที่เราเห็นกันเป็นส่วนที่ไม่สำคัญของชีวิตของพวกเราเรามีสองส่วนด้วยกันส่วนที่เราเห็นและส่วนที่เราไม่เห็นส่วนที่เราเห็นเรียกว่าร่างกายอาการ32ที่ประกอบ ขึ้นมาเป็นร่างกายคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกและอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายนี้อันนี้รวมตัวกันแล้วก็เรียกว่าร่างกายอีกส่วนหนึ่งที่เราไม่เห็นกันก็คือใจหรือจิตใจ ส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของเราแต่เรากับมองไม่เห็นกับไม่รู้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญเราจึงไปให้ความสำคัญกับส่วนที่ไม่สำคัญก็คือร่างกายของเราร่างกายของเรานี้ความจริงไม่ใช่เป็นของเราเป็นของเราชั่วคราวเท่านั้น ร่างกายนี้เราได้มาจากพ่อจากแม่แล้วเราก็เอามาเลี้ยงดูให้อาหารให้น้าให้อามณ์ให้อะไรต่างๆร่างกายก็จรลอเติบโ ต, ตขึ้นมาแต่ในที่สุดร่างกายก็ต้องแก่ลงไปจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและจะต้องตายตายในที่สุด ถ้าเราไม่มีความรู้ที่ถูกต้องเราก็จะหลงไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราพอเราไปคิดว่าเป็นของเราเราก็จะเกิดความอยากให้เป็นของเราไปตลอดไม่ให้จากเราไปแต่ความจริงของร่างกายนี้เขาไม่ได้เป็นของเราไปตลอด เขาเป็นได้ชั่วยระยะเวลาหนึ่งคือประมาณ 70, 80, 90, ปีหรือร้อยปีหลังจากนั้นแล้วร่างกายนี้ก็ต้องจากเราไปส่วนที่เป็นของเราส่วนที่ไม่จากเราไปนี้เราไม่รู้เราไม่เห็นกันส่วนที่ไม่จากเราไปส่วนที่เป็นของเราไปตลอดก็คือใจนี้ แต่เราไม่รู้กันเราคิดว่าเราเป็นร่างกายร่างกายเป็นเราพอร่างกายเราตายไปแล้วเราก็คิดว่าเราตายไปด้วยกับร่างกายแต่ความจริงเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราอยู่ที่ใจใจยังอยู่ใจไม่มีวันตายนี่คือความรู้ ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบแล้วก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราเพื่อให้พวกเรามาดูแลรักษาส่วนที่เป็นของเราส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งกับเราก็คือใจของเราส่วนร่างกายของเหล่านี้ต่อให้เราดูแล ให้ดีขนาดไหนก็ตา่างเราก็จะไม่สามารถรักษาให้ดีไปตลอดให้อยู่กับเราไปตลอดได้สักวันหนึ่งร่างกายของเรานี้ก็จะต้องหมดสภาพไปแต่ใจของเรานี้ไม่เหมือนร่างกายเป็นสิ่งที่ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตาย เป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดสภาพไม่มีวันที่จะจากเราไปถ้าเรารู้จักวิธีดูแลรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์ให้มีแต่ความสุขเราก็จะมีความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้งสุดถ้าเราไม่รู้จักวิธีรักษาใจของเรา เราก็จะสร้างความทุกข์ให้แก่ใจของเราไปตลอดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกันตอนนี้พวกเราไม่รู้จักวิธีดูแลรักษาใจของเราให้มีแต่ความสุขไม่ให้มีความทุกข์เพราะเราไม่มีความรู้ที่แท้จริงที่ถูกต้องนั่นเองเรายัง ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นของเราเป็นตัวเราพอเราคิดว่าเป็นของเราเป็นตัวเราเราก็จะพยายามรักษาร่างกายนี้ไว้อย่างสุดชีวิตแต่ยิ่งพยายามรักษาเท่าไหร่ก็จะยิ่งสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราอันนี้เป็นผลที่จะเกิดขึ้นจากการไม่รู้ความจริง ไม่รู้ว่าใจนี้เป็นตัวเราของเราเป็นสิ่งที่เราจะต้องคอยดูแลรักษาส่วนร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นสิ่งที่เราไม่ควรรักษาดูแลมากเกินเหตุเกินผลเราดูแลได้ในระดับหนึ่งคือในขอบเขตของความเป็นไปได้ เือ ด, ดูแลให้อยู่ไปวันวันหนึ่งได้มีอาหารให้รับประทานมีน้ำให้ดื่มมีที่อยู่อาศัยมีเครื่องนุ่งหง่มมียารักษาโรคอะไรต่างๆเหล่ า, านี้เราก็พอที่จะเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่ไปได้อย่างสุขอย่างสบายแต่เราไม่สามารถที่จะไปยับยั้งความแก่ ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายของร่างกายไปได้ถ้าเราพยายามที่จะทำให้ร่างกายไม่แก่ทำให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยทำให้ร่างกายไม่ตายเราก็จะผิดหวังและเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจของเรานี่คือการสร้างความทุกข์ให้กับใจของเรา โดยความไม่รู้ความจริงก็เราไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราเราจึงต้องพยายามรักษามันอย่างสุดชีวิตแต่การรักษาร่างกายอย่างสุดชีวิตนี้จะทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาดังนั้นเราจึงควรที่จะ ดูแลรักษาร่างกายของเราไปตามอัตภาพของเขาไปตามความเป็นไปได้รักษาได้ก็รักษาไปร่างกายจะแก่ก็ห้ามเขาไม่ได้ร่างกายจะตายก็ร่างห้ามเขาไม่ได้อยากไปห้ามอยากไปอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเพราะความอยากนี้แหละ ที่จะสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์ใจเราก็ต้องอยากไปหยากให้ร่างกายไม่แก่อยาไปอยากไม่ให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยาบไปอยากไม่ให้ร่างกายตายไปถ้าเราหยุดความอยากนี้ได้ก็เท่ากับเรารักษาใจของเราได้ รักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์กับความแก่กับความเจ็บกับความตายของร่างกายใจของเราก็จะไม่ทุกข์จะมีแต่ความสุขใจเวลาร่างกายแก่ก็ไม่ทุกข์เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ทุกข์เวลาร่างกายตายไปก็ไม่ทุกข์พวกเราก็มีทางเลือกอยู่สองทางด้วยกัน จะทุกข์หรือไม่ทุกข์กับร่างกายนี้จะทุกข์หรือไม่ทุกข์กับร่างกายนี้ก็ไม่ไปเปลี่ยนความจริงของร่างกายนี้ไปได้คือเราไม่สามารถไปเปลี่ยนว่าทําให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ดังนั้นทําไมเราจะต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายและด้วยในเมื่อเราสามารถที่จะ ไม่ทุกกับความแก่กับความเจ็บความตายของร่างกายอันนี้เป็นทางเลือกของเราเราจะเอาทุกข์หรือไม่ทุกข์เราจะเอาสุขหรือไม่สุขถ้าเราจะไม่เอาทุกข์เราจะเอาความสุขใจเราก็ต้องปล่อยวางร่างกายดูแลไปเท่าที่เราจะดูแลได้อย่าไปฝืนความจริงอย่าไปฝืนความแก่ อย่าไปฝืนความเจ็บไข้ได้ป่วยอย่าไปฝืนความตายฝืนไม่ได้ฝืนยังไงก็สู้เขาไม่ได้ส่วนความเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ถ้ายังมีทางอยู่ก็ดูแลไปรักษาไปถ้าโาครคภัยไข้เจ็บยังรักษาได้ก็รักษาไปแต่ไม่ช้าก็เร็วเราก็จะต้องมาเจอโรค ท่านสุดท้ายที่เราจะไม่ส า, ม, สามารถรักษาได้แต่ถ้าเรามารักษาใจของเราด้วยการปล่อยวางร่างกายเราก็จะไม่เดือดร้อนเวลาที่เราไม่สามารถรักษาร่างกายนี้ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้อันนี้แหละเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้มาก่อน มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่รู้ความจริงอันนี้จึงทำให้พระพุทธเจ้า น, นี้ไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเมื่อพระองค์ได้รับประโยชน์อันนี้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ของร่างกายแล้วพระองค์จึงนำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไป เมืใดสามารถนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติได้มาหยุดความอยากไม่แก่หยุดความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหยุดความอยากไม่ตายได้ผู้นั้นก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ของทางร่างกายไปได้อย่างสิ้นเชิงจะอยู่อย่างสบายไม่เดือดร้อนไม่ต้องวิตกกังวล หวาดกลัวกับภัยต่างๆที่จะมากระทบกับร่างกายเลยเพราะว่าทำอย่างไรก็จะไม่สามารถที่จะป้องกัน ร, รักษาให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เลยแต่สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือทำให้ใจของเราไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไปกับเรื่องของร่างกาย ร่างกายจะแก่ก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะเจ็บก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะตายก็ไม่เดือดร้อนวิธีที่จะทำให้เราไม่เดือดร้อนกับร่างกายนี้เราก็ต้องทำตามที่พระเจ้าได้ทรงกระทามาซึ่งมีอยู่สามขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกก็คือให้เราสละของนอกกายไปก่อน ไม่ให้ยึดไม่ให้ติดกับของต่างๆที่เราได้มาแต่ไม่ใช่เป็นร่างกายเป็นของนอกร่างกายเช่นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองบุคคลต่างๆเช่นสามีภรรยาบุตรทิดาบิดามานดาญาสนิทมิสหายเราต้องตัดเขาให้ได้ อย่าไปยึดอย่าไปติดกับเขาการตัดนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้มีเยื่อให่หรือไม่ให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันการตัดนี้คือให้ตัดความยึดมั่นถือมั่นในความอยากให้เขาดีไปตลอดให้เขาอยู่กับเราไปตลอดเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้มันฝืนความจริง ของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาที่เรามีอยู่นี้จะไม่ดีไปตลอดจะไม่อยู่กับเราไปตลอดให้เราตัดความอยากอันนี้ไปเท่านั้นแต่ความสัมพันธ์ความมีความเมตตากรุณายังมีอยู่ยังรักกันอยู่ยังดูแลกันอยู่ยังช่วยเหลือกันอยู่แต่จะไม่ อยากไปให้เขาอยู่กับเราไปตลอดจะไม่อยากให้เขาดีไปตลอดเพราะวันหนึ่งเขาก็ต้องเสื่อมลงไปเขาก็ต้องแก่ลงไปเขาก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยดัยงนั้นขั้นต้นเราจะต้องสละของภายนอกร่างกายเราไปให้ได้ก่อน สละลาบยศสารเสริญสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปเสียเวลากับการดูแลรักษาสิ่งต่ตางๆเหล่านี้เพราะจะทำให้เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมานั่นเองนี่คือขั้นที่หนึ่งต้องอย่าไปมีความ ยึดติดกับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเป็นวัตถุขเข้าของเงินทองต่างๆ ต, ต้องเตรียมตัวเตรียมใจแยกทางกันจากกันไปเพราะว่าเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วก็จะต้องแยกทางกับทุกสิ่งทุกอย่างไปถ้าเราพร้อมที่จะแยก เวลาแยกกันก็จะไม่หุ้่นวายจะไม่ทุกข์จะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราไม่พร้อมเรายังยึดยังติดอยู่ยังอยากให้อยู่กับเราต่อไปเวลานั้นจะเป็นเวลาที่ ท, ทุกข์ทรมานใจอย่างยิ่งนี่คือสิ่งที่เราต้องซ้อมทำให้ได้ก่อนปล่อยวางของภายนอกก่อนมีเงินทองที่เหลือมากเกินไปก็ เอาไปให้คนอื่นทําการบ้านก่อนทดสอบจิตใจก่อนดูว่าเราหวงเรายึดติดกับข้าวของเงินทองหรือเปล่าเรายึดติดกับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้หรือเปล่าเราพร้อมที่จะให้เขาไปจากเราหรือไม่เช่นสามีภรรยาของเราหรือแฟนของเราเราพร้อมที่จะให้เขาไปมีแฟนใหม่หรือเปล่า ถ้าเรายังไม่พร้อมเวลาเขาไปนี่เราจะเสียอกเสียใจ <Yes. S 1> แล้วเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เวลาเขาจะไปนี่ไม่มีช้างมาฉุดให้อยู่ได้ <Yes. S 1> แต่เราสามารถทำใจให้เราไม่ทุกข์กับการไปของเขาได้ <Yes. S 1> ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนทำการบ้านไว้ก่อน เตือนใจไว้ก่อนว่าสักวันหนึ่งเขากับเราก็ต้องจากกันไปจะต้องแยกทางกันไปตอนต้นก็ซ้อมอย่าไปอยู่ด้วยกันตลอดเวลาลองแยกอยู่กันบ้างให้เขาอยู่ที่หนึ่งเราไปอยู่อีกที่หนึ่งหัดอยู่คนเดียวหัดอยู่แบบไม่มีเขาบ้างดูซิว่าเราจะอยู่ได้หรือไม่ถ้าเรา ตั้งใจจริงๆพร้อมที่จะทำจริงๆเราอยู่ได้เพราะเมื่อก่อนนี้เราก็ไม่มีเขาทำไมเราอยู่ได้เวลาเรามาเกิดนี่เราก็ไม่ได้เอาเขาติดมากับเราเราก็มาเจอเขาทีหลังแล้วเราทำไมจะอยู่โดยที่ไม่มีเขาไม่ได้การอยู่ที่ไม่มีเขาได้นี้มันดีกว่าต้องอยู่กับเขาเพราะว่าถ้าเวลาเขา ไม่อยู่กับเราเวลานั้นเราจะทุกข์มากแต่ถ้าเราสามารถอยู่คนเดียวได้เราก็จะไม่เดือดร้อนเวลาที่เขาไม่อยู่กับเราดั <c oughs> างนั้นเราต้องหัดอยู่คนเดียวให้ได้ซ้อมบ้างไปอยู่วัดทีละสามวันห้าวันเจดวันบ้างอย่าอยู่ติดกันเหมือนปลาท่องโกงไปตลอดเวลาเถี๋ยวถึงเวลาที่มันต้องจากกันนี่ มันจะเศร้าโศกเสียใจแล้จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนการพัดภากจากการนี้เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตของพวกเราคนะลาดเขาจึงพยายามไม่อยู่กับใครไม่ติดกับใครพยายามอยู่คนเดียวพยายามยึดหลักอัตตาหิอั ต, ตนโนนาเถะไว้ให้ได้ตอนเป็นที่พึ่งของตนถ้าเราไม่ต้องพึ่งคนอื่น เราพึ่งตัวเราเองได้เราจะไม่เดือดร้อนเวลาคนอื่นเขาจากเราไปที่เราเดือดร้อนกันก็เพราะว่าเราไม่ชอบพึ่งตัวเราเองเราชอบพึ่งคนอื่นชอบพึ่งสิ่งอื่นชอบพึ่งเงินพึ่งทองชอบพึ่งคนนั้นคนนี้พอเวลาสูญเสียเงินทองไปสูญเสียคนนั้นคนนี้ไป เราก็เดือดร้อนวุ่นวายใจขึ้นมาแต่ถ้าเราฝึกไม่พึ่งคนอื่นพึ่งตัวเราเองเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ต้องมาวิตกกังวลว่าเขาจะจากเราไปเมื่อไหร่อย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระสาวกทั้งหลายนี่ท่านฝึกอยู่คนเดียวท่านก็เคยมีครอบครัวมีสามีมีภรรยา มีบุตรมีธิดาแต่ท่านเห็นว่าการติดอยู่กับเขานี้เป็นความทุกข์เป็นความไม่สบายใจท่านเลยตัดสินใจแยกไปอยู่คนเดียวไปบวชแล้วก็ไปต่อสู้กับความอยากที่จะกลับไปหาเขาอยากที่จะไปอาศัยเขาให้ความสุขไปเป็นที่พึ่งของเขา ไปให้เขาเป็นที่ครึ่งของเราถ้าไม่ปฏิบัติต่อสู้กับความอยากก็จะอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่ได้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ต้องแพ้ความอยากก็ต้องกลับไปหาคนนั้นคนนี้กลับไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้การที่คนมาบวชแล้วลาสิกขาสึกกันไปก็เพราะเหตุ น, นี้เองเพราะไม่สามารถพึ่งตนเองได้ไม่สามารถอยู่ ตามลำพังได้ต้องอาศัยคนนั้นคนนี้ต้องอาศัยสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เวลาศึกไปนี้เขาจะไม่รู้ความจริงอันนี้เขาจะถูกความหลงหลอกให้คิดว่าที่ศึกไปเพราะว่าต้องไปดูแลคนนั้นคนนี้ความจริงไม่ได้ไปดูแลเขาหลอกไปพึ่งเขามากกว่าเพราะอยู่คนเดียวไม่ได้ มีใครอยากจะไปดูแลคนนั้นคนนี้บนะ้างไม่มีใครอยากจะดูแลใครหรอกที่ดูแลเขาเพราะว่ายัางต้องพึ่งเขาอยู่นั่นเองถ้าไม่ต้องพึ่งเขาแล้วรับรองได้ว่าจะไม่แยแสจะไม่สนใจเขาจะอยู่เขาจะตายจะไม่กงังวลจะไม่เดือดร้อนแต่ที่ยังต้องกังวลเดือดร้อนอยู่ก็เพราะว่ายัางต้องพึ่งพาอาศัยเขาต้องการให้เขาให้ความสุขกับเรา เวลาไม่มีเขาแล้วเราจะทุกข์เราจึงต้องดูแลเขาเท่านั้นเองแต่ถ้าเราสามารถดูแลตัวเราได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยใครเราก็จะไม่สนใจที่จะต้องไปคอยดูแลคนนั้นคนนี้อีกต่อไป <Yeah. S 1> เราก็จะไม่เดือดร้อนเวลาที่เขาจะอยู่กับเราหรือไม่อยู่กับเราเวลาเขาจะไปหรือไม่ไปเราจะไม่เดือดร้อน ดังนั้นเราจรึงต้องมาฝึกอยู่คนเดียวให้ได้โดยการมาอยู่วัดแล้วก็มาต่อสู้กับความอยากต่างๆด้วยการรักษาศีลด้วยการบําเพ็ญจิตตภาวนาที่จะเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการต่อสู้กับความอยากของที่จะให้เราไปเพิ่งบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ ให้เราไปพึ่งสินนั้นสินนี้ถ้าเรารักษาศินตั้งแต่สินแปดขึ้นไปได้สินแปดสินสิบสินสองีสิบถ้าเรารักษาได้เราก็จะมีเครื่องมือคอยดึงใจไว้ไม่ให้ไหลไปตามความอยากแล้วถ้าเราสามารถทำใจควบคุมใจได้ทำใจให้สงบได้สอนใจให้ฉลาดได้ เราก็จะสามารถทำลายความอยากทั้งหลายให้หมดไปได้ความอยากที่จะไปพึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปเพึ่งบุคคลนั้นบุคคลนี้ความอยากที่จะเพึ่งร่างกายนี้มันจะถูกทำลายไปหมดเลยพอไม่มีความอยากที่จะไปเพึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้ไม่พึ่งร่างกายนี้แล้วเวลา บุคคลนั้นบคนนุคคลนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรือร่างกายนี้ต้องจากเราไปเราจะไม่เดือดร้อนเลยเราจะอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายอยู่กับใจที่ไม่มีวันตายร่างกายตายไปแล้วแต่ใจไม่ตายเราก็อยู่ต่อไปอยู่กับร่างกายอยู่กับใจที่ไม่มีความทุกข์นี่แลนี่คือใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย ใจของท่านก็ยังอยู่เหมือนใจของเราเพียงแต่ Credit, ว่าท่าน uta, ไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องพึ่ง July, คนนั้นคนนี้ไม่ต้องพึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้ท่านจึงไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องมาหาร่างกายอันใหม่แต่พวกเรานี้ถ้ายังต้องพึ่งร่างกายต้องพึ่งสิ่งนั้นสะิ่งนี้ต้องพึ่งคนนั้นคนนี้อยู่เวลาร่างกายนี้ตายไป พวกเราก็จะต้องไปหาร่างกายอันใหม่ต่อต้องกลับมาเกิดใหม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่อันนี้เราทำมาอย่างโชคโชนแล้วทำมาอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดและจะทำอย่างนี้ต่อไปจนกว่าเราจะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้จนกว่าเราจะสามารถปฏิบัติตามที่พระเจ้าได้ทรงปฏิบัติได้ ก็คือสลับทุกสิ่งทุกอย่างตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจให้หมดไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองบุคคลต่างๆหรือร่างกายของเราเองก็ต่างตัดมันออกไปจากใจอย่าไปพึ่งมันอย่าไปอยากให้มันอยู่กับเราและเวลามันไปเราจะได้ไม่วุ่นวายเราจะไม่ทุกข์และเราจะได้ไม่ต้องกลับมาหาร่างกาย ใหม่มาแก่ใหม่มาเจ็บใหม่มาตายใหม่อีกแบบไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครจะสามารถมอบให้กับเราได้นอกจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นพวกเราจรึงถือว่ามีโชควาสนาอันมหาศาลที่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ว่าพวกเราจะ ตักตวงผลประโยชน์อันนี้หรือไม่หรือจะปล่อยให้ผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่มหาศาลนี้หลุดจากมือเราไปก็เป็นเรื่องของเรามไม่มีใครมาบังคับเราได้ถ้าเราอยากจะได้ประโยชน์อันมหาศาลนี้เราก็ต้องทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าเราไม่ทำตามเราก็จะไม่มีวันได้จึงขอฝากเรื่องของการมา สักตัวผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนานี้ให้ท่านได้นำาเอาไปพินิพจณ า, าและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขอันยิ่งใหญ่ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณประสีลาตาไทรและบุญกุศล